8. เสนาสนะวัตตะกถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปทาจีวร อ, อยู่ที่กลางแจ้งพวกภิกษุฉัพพักขี เสนาสนะบนที่สูงเหนือลมฝุ่นทุลีฟุ้งกลบภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตำหนิประนามพนธนาว่าชไหนพวกภิกษุฉับพักขีจึงเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลมเล่าภิกษุทั้งหลายถูกฝุ่นทุลีฟุ้งกลบครั้งนั้นแหล่ภิกษุเหล่านั้น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 ไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนออกไปตั้งไว้นะที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงพึงขนออกมาวางไว้นะที่สมควรพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยขนออกมาวางณที่สมควรถ้าในวิหารมีอยากเยื่อ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 พึงเก็บอยากเยื่อไปทิ้งนที่สมควรไม่พึงเคาะเสนาสนะใกล้ภิกษุใกล้วิหารใกล้น้ำดื่มน้ำใช้บนเนินเหนือลมพึงเคาะเสนาสนะใต้ลมพรมปูพื้นพึงพึงแดดชํำระตกขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงพึงแดดเช็ด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 ขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึ่งพึงแดดเช็ดถูขนกลับไว้ตามเดิมพึ่งเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึ่งใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลาใต้เตียงหรือใต้จึงเก็บบาทไม่พึ่งเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง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 ไม่พึงตามหรือประดับประทีบไม่พึงเปิดหน้าตา่างไม่พึงปิดหน้าตา่างถ้าเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับภิกษุผู้แก่กว่าพึงเดินตามหลังท่านและไม่กระทบท่านด้วยชายสังคาติภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดในเสนาสนะของภิกษุทั้งหลายโดยที่ภิกษุทั้งหลาย ต้องประพฤติ ช, ชอบ